เรื่องราวชวนขนหัวลุกจากการถูกรังควานโดยดวงวิญญาณเรื่องนี้นะคะคุณรัตนสุดาบุญพาเที่ยงเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของเธอซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วคุณรัตนสุดาค่ะได้เล่าถึงสิ่งที่เธอได้สัมผัสมาก่อนหน้าที่จะเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาดังเช่นในปัจจุบันไว้นะคะว่าแต่เดิมนั้นดิฉันเป็นผู้ที่นับถือาศาสนาอื่นมาก่อน แต่ก็ได้หันมายึดถือพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งแม้บรรดาญาติพี่น้องจะพากันชิงชังแต่ดิฉันก็ไม่ใส่ใจเพราะดิฉันได้ประจักษ์ในพระพุทธคุณด้วยตัวเองดิฉันแต่งงานแล้วมีลูกสามคนคนโตและคนรองเป็นหญิงทั้งคู่ส่วนคนสุดท้องเป็นผู้ชาย เหมือนเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนลูกสาวคนรองของดิฉันมีโรคประจําตัวคือโรคหัวใจเต้นไม่ปกติและมีอาการของโรคทางเดินหายใจทําให้ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากฐานะครอบครัวของเราดีพอสมควรลูกสาวคนรองของดิฉันจึงได้เข้ารับการรักษาที่คลินิกโดยเฉพาะมาตลอดแม้จะเสียเงินในอัตราที่สูงแต่เพื่อแลกกับสุขภาพที่ดีของลูกสาวดิฉันไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่สตางแดงเดียว วันนั้นลูกสาวคนรองของดิฉันกลับจากโรงเรียนก่อนเวลาตอนนั้นแกอายุประมาณ16ปีอยู่ชั้นม .4 ก็มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็หอบหายใจถี่มากดิฉันจึงรีบพาไปคลินิกเพื่อหมอตรวจอาการแล้วก็แนะนำให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลโดยมีคุณหมอเป็นเจ้าของไข้และเป็นผู้ติดต่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแห่งนั้นเป็นโรงพยาบาลของรัฐเมื่อหมอตรวจแล้วจะรับไว้เป็นคนไข้านาย ได้ห้องพิเศษอยู่บนชั้นสองและเป็นห้องค่อนข้างที่จะเก่าแต่ดิฉันก็ทำใจได้ว่าโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบนี้การรักษาดำเนินไปโดยหมอเฉพาะทางทำให้อาการของลูกสาวคนรองของดิฉันดีขึ้นอย่างทันตาเห็นคุณหมอเจ้าของไข้บอกกับดิฉันว่าอีกไม่กี่วันก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ดิฉันดีใจมากค่ะ เพราะการต้องมาอยู่ในห้องแคบๆที่แวดล้อมไปด้วยคนเจ็บคนไข้ได้กลิ่นยากลิ่นแอลกอฮอล์เสียงร้องครวญครางของคนมันทำให้จิตใจของดิฉันหดหูเป็นอย่างยิ่งดิฉันสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครองดิฉันและขอให้ลูกปลอดภยัยหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ในวันที่7ขณะที่เป็นเวลาบ่ายดิฉันนั่งพักผ่อนอยู่ในห้องเพราะลูกสาวนอนหลับอยู่บนเตียง หูของดิฉันก็ได้ยินเสียงของลูกสาวร้องขึ้นบอกว่าไม่เอาไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละจะอยู่กับคุณแม่อย่ามารบกวนฉันนะจะไปไหนก็ไปดิฉันเหลียวมองไปที่เตียงลูกสาวก็พบว่าแกกำลังอยู่ในลักษณะของคนละเมอลุกขึ้นนั่งหลับตาแต่ใบหน้าหันไปทางประตูห้องเหมือนกำลังจะพูดกับใครคนหนึ่งดิฉันจึงรีบไปที่เตียงของลูกสาวโผลเข้ากอดแกไว้แล้วก็ปลุกให้แกรู้สึกตัว ตื่นเอะลูกแม่อยู่ใกล้ๆแล้วไม่มีอะไรหรอกเนื้อตัวของแกสั่นเทาเหงื่อท่วมตัวแกค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆดิฉันก็เลยถามด้วยความอยากรู้ว่าแกกำลังเป็นอะไรอยู่เป็นอะไรไปลูกทำไมลุกขึ้นมาพูดคนเดียวละ่ะผู้หญิงค่ะแม่หนูกำลังเคลิมคล้มเขาก็เข้ามายือนอยู่ข้างเตียงเขามาชวนหนูเขาบอกหนูว่าให้ไปอยู่ด้วยกันเรากำลังต้องการเพื่อนที่รู้ใจไปอยู่ด้วยกันเถอะ หนูรู้สึกตัวแล้วก็ยังมองเห็นขาเขายืนอยู่ที่ประตูแม่หนูกลัวค่ะดิฉันซักไซไล่เลียงลักษณะของผู้หญิงที่แกเห็นก็ลำดับรูปร่างให้ฟังอย่างละเอียดพอจับเข้าได้ว่าผู้หญิงคนนั้นผอมบางรูปร่างเพรียวผิวขาวผมสั้นแต่งชุดคนไข้ของโรงพยาบาลหน้าตาสวยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวคนรองของดิฉัน ดิฉันปลอบใจแกว่าแกคงฝันไปหรือว่าเคลิมไปแล้วก็บอกให้แกนอนต่อคราวนี้ดิฉันจะอยู่ข้างเตียงไม่ไปไหนสักพักหนึ่งแกก็หลับไปอีกเมื่อแกหลับแล้วดิฉันก็เดินไปที่พยาบาลเวรซึ่งอยู่ที่นั่นสองคนดิฉันถามพวกเธอว่าเห็นผู้หญิงผอมบางรูปร่างเรียวผิวขาวผมสั้นหน้าตาสวยแต่งชุดคนไข้ของโรงพยาบาลผ่านเข้าออกห้องของดิฉันและลูกสาวบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้คือไม่เห็นและหากใครเข้าออกจะต้องผ่านตรงนี้ที่พยาบาลเวนนั่งอยู่ดิฉันจึงเก็บความประหลาดใจไว้เงียบๆพอตกค่ำหลังจากที่ลูกสาวหลับไปแล้วดิฉันก็ล้มตัวเพื่อพักผ่อนเพราะต้องตื่นแต่เช้าด้วยครบกําหนดลางานจะต้องไปลางานต่อกลางดึกคืนนั้นดิฉันต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงของลูกสาวที่ตะโกนออกมาอย่างไม่พอใจออกไปนะออกไปเลย บอกว่าไม่ไปไหนทั้งนั้นยังจะมาชวนอยู่ได้ไปให้ไกลๆเลยไปไปให้พ้นนะดิฉันรีบเปิดไฟและกลับมาดูลูกสาวที่เตียงก็พบว่าแกหายใจไม่ออกจึงกดกริ่งเรียกพยาบาลเวนหลังจากตรวจดูอาการของลูกสาวดิฉันก็เห็นว่าไม่ค่อยดีจึงรีบไปตามหมอเวนมาดูอีกครั้งจากนั้นก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มและสั่งให้ออกซิเจนฉุกเฉินหมอเวนบอกกับดิฉันว่า ลูกคุณมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจแต่แก้ไขได้ทันพรุ่งนี้หมอจะส่งรายงานให้กับหมอเจ้าของไข้ผู้รับผิดชอบทราบนะคะดิฉันนั่งลงข้างเตียงแล้วสดวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครองลูกสาวของดิฉันด้วยสวดจนกระทั่งเผลอม้อยหลับไปข้างเตียงนั่นเองรุ่งเช้าต้องรีบไปที่ทํางานเพื่อขอลาหยุดงานต่อแม้จะเป็นห่วงลูกสาวเพียงใดก็ตามจึงได้ฝากให้พยาบาลช่วยดูแลดิฉันจะรีบกลับมา หมอเจ้าของไข้บอกกับดิฉันว่าอาการของลูกสาวคุณไม่เป็นอะไรมากนะและได้ให้ยาประคับประคองไว้แล้วอาการจะไม่สุดลงกว่านี้ขอให้สบายใจได้แต่ว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะวันต่อมาดิฉันต้องแอบนั่งร้องไห้เมื่ออาการของลูกสาวสุดลงหายใจติดขัดหมอต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาและมาตรวจดูอาการทุกๆ4ี่ชั่วโมงแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจึงได้เรียกดิฉันเข้าไปพบและบอกว่า ผมต้องเรียนคุณตรงๆนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอาการของลูกสาวของคุณถึงสุดผิดปกติลงอย่างรวดเร็วคงจะต้องรอดูอาการอีกระยะจนถึงที่สุดแล้วจึงจะสั่งผ่าตัดพอได้ยินคำว่าผ่าตัดดิฉันถึงกับสะอื้นเมื่อนึกถึงภาพของลูกสาวที่ต้องถูกวางยาสลบถูกมีดผ่าตัดกรีดเนื้อหนังจนเลือดทลักออกจากห้องหมอเจ้าของคนไข้ดิฉันก็เดินผ่านห้องพยาบาลเวร พยาบาลคนที่ดิฉันเคยเข้าไปถามเรื่องผู้หญิงคนที่ลูกสาวดิฉันเพ้อถึงเธอเดินเข้ามาหาแล้วบอกให้ดิฉันตามเข้าไปในห้องพร้อมกับถามว่าคุณมีพระติดตัวมาบ้างไหมคะเผื่อว่าจะช่วยให้ลูกสาวคุณไม่เพ้อและกระวนกระวายซึ่งดิฉันว่าช่วยได้มากทีเดียวนะคะดิฉันจึงกล่าวขอบคุณและบอกไปว่าดิฉันนับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธพยาบาลคนนั้นกล่าวขอโทษ แต่ยังไม่วายหยิบพระองค์เล็กๆขึ้นชูตรงหน้าของดิฉันและบอกว่าต้องขออภัยนะคะแต่ดิฉันก็ยังคงอยากขอให้พระพุทธคุณช่วยคุ้มครองลูกสาวคุณด้วยค่ะแต่ดิฉันไม่ได้รับไว้และกลับเข้าห้องลูกสาวนอนอยู่บนเตียงมีสายน้ำเกลือและหน้ากากออกซิเจนสวมอยู่มีพยาบาลผัดเปลี่ยนกันมาดูทุกหนึ่งชั่วโมง ดิฉันนั่งเฝ้าลูกอยู่ข้างเตียงจนเคลิ้มศีรษะก้มลงไปติดกับขอบเตียงรู้สึกถึงการโขกเป็นระยะดิฉันจึงยกเก้าอี้ไปชิดฝาผนังแล้วก็หงายศีรษะไปพิงกับผนังในที่สุดดิฉันก็หลับไปในขณะกําลังหลับก็ฝันไปว่ามีพระพุทธรูปที่นางพยาบาลชูให้ดิฉันดูมาลอยอยู่ตรงหน้าซึ่งดิฉันจําได้แม่นแล้วท่านได้ส่งเสียงพูดกับดิฉันว่าตื่นเร็วลูกของเธอกําลังตกอยู่ในอันตราย ตื่นเร็วข้าดิฉันสะดุ้งตื่นหูยังได้ยินเสียงของพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวดังกล้องกังวานดิฉันมองไปที่เตียงของลูกสาวดิฉันไม่ได้ตาฝาดดิฉันเห็นร่างของผู้หญิงผิวขาวเพรียวผมสั้นกําลังผละออกจากเตียงของลูกสาวดิฉันเดินมุ่งหน้าไปทางประตูห้องดิฉันลุกออกจากเก้าอี้สาวเท้าตามไปติดๆปากก็ร้องว่าใครนะ่ะหยุดนะ ร่างนั้นยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนกับลอยไปบนพื้นพอถึงประตูห้องก็ทะลุออกไปดิฉันเปิดประตูออกตามไปผ่านห้องพยาบาลเวรแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นร่างนั้นเดินออกจากห้องไปดิฉันกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามไปพอถึงมุมตึกร่างนั้นก็เลี้ยวดิฉันก็เลี้ยวตามไปทันตรงมุมตึกแต่ปรากฏว่าตรงนั้นมีแต่ความว่างเปล่า ดิชันนึกไปถึงผู้หญิงที่ลูกสาวบอกว่ามาชวนแกไปอยู่ด้วยซึ่งมีลักษณะตรงกันทุกอย่างดิชันขนหัวลูกเปรียวเมื่อมีลมพัดมาประทะตัวมันเย็นเหมือนน้ำแข็งและแล้วก็นึกได้ว่าร่างนั้นหลอกพาดิชันให้ออกมาจากห้องเพราะขณะ น, นี้ลูกสาวของดิชันอยู่เพียงลาพังคนเดียวขาที่ก้าวไม่ออกเกิดมีแรงขึ้นมาทันทีดิฉันวิ่งตื่ไปที่ห้องของลูกสาวซึ่งนอนอยู่ปาดเข้าไปประชิดเตียงลูกสาว พระเจ้าช่วยสายออกซิเจนหลุดออกจากจมูกมากองอยู่ที่หน้าอกเนื้ออกของแกสะท้อนช้ามากดิฉันวิ่งไปที่ห้องพยาบาลเวนแล้วแจ้งให้ทราบ พ, พยาบาลเวนรีบไปตามหมอเวนพอหมอมาถึงก็สั่งให้ฉีดยาเข้าเส้นเข็มหนึ่งและรีบจัดการเรื่องระบบหายใจซึ่งมันสามารถช่วยชีวิตลูกสาวดิฉันได้ทันท่วงทีหลังจากที่ลูกสาวอาการดีขึ้นแล้วหมอเวนก็บอกกับดิฉันว่า คุณเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมมากครับถ้าคุณรู้ช้ากว่านี้เราคงช่วยลูกคุณไว้ไม่ได้แต่นี่คุณมาพบเข้าซะก่อนก็เลยช่วยได้ทันเวลาดิฉันขอย้ายห้องในวันรุ่งขึ้นได้ห้องบนชั้นที่สามเมื่อย้ายห้องแล้วดิฉันยังเห็นภาพพระพุทธรูปองค์ที่นางพยาบาลคนนั้นจะนำมาให้กับดิฉันได้ติดตาจึงเดินไปขอพบกับนางพยาบาลคนนั้นและเอ่ยปากขอเธอก็หยิบส่งให้โดยไม่อิดออดแต่ก็อดถามไม่ได้ว่า คุณไม่นับถือแล้วคุณจะเอาไปทำไมคะดิฉันจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังเธอทำหน้าตกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพระพุทธรูปองค์นั้นก็ได้มาอยู่ที่คอของดิฉันแทนเครื่องหมายของาศาสนาเก่าจนถึงทุกวันนี้และลูกๆของดิฉันก็แขวนพระกันทุกคนโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลในครั้งนั้นลูกสาวของดิฉันก็มีอาการดีขึ้นและไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกเลย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้ประสบพบเจอกับพุทธานุภาพที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้พบเจอเรื่องของพูดผีวิญญาณเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์ได้โดยทางวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากพูดผีวิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่กายเนื้อเช่นสิ่งมีชีวิตในโลกหากมีรูปกายเป็นปรมาณูค um ือมีกายละเอียดเกินกว่าสายตาจะมองเห็นค่ะ แต่ว่าในบางคนบางครั้งที่พูดผีวิญญาณมาปรากฏร่างให้เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าวิาวญญาณมีเจตนาแสดงร่างเพื่อให้บุคคล น, นั้นเห็นโดยเฉพาะเป็นคนคนไปเท่าที่ปรากฏนะคะว่ามีพูดผีหรือว่าวิญญาณมาแสดงตัวตนหลอกหล้อนและมีบางคนเห็นหากไม่ใช่มีกรรมผัวพันกันมาก็มีสาเหตุมาจากการขอส่วนบุญหรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆเพื่อผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์ของตนค่ะ ผู้ที่เห็นพูดผีวิญญาณมาแล้วคนหนึ่งคือคุณยายละอศรีรามท่านผู้นี้นะคะเห็นวิญญาณมาปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาค่ะในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้คุณยายละอยังเป็นเด็กหญิงละออยู่ท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าคืนหนึง่งท่านติดตามคุณยายของท่านไปดูลิเกซึ่งมาเปิดวิกยเยื้องกันกับอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโม กว่าลิเกจะเลิกก็เล่นเอาดึกดื่นค่อนคืนเป็นเวลาเกือบตีสองผู้ที่ไปดูลิเกก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มคณะของคุณยายของเด็กหญิงละออก็ไปกัน8คนนะคะตอนขากลับได้อาศัยเดินมาเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งมาถึงหน้าสนามบินเก่าบ้านหนองบัวตําบลหัวทะเลคณะของคุณยายมีที่พักข้างในกรมทหารทั้งหมดก็เลยพากันเดินเข้าไปในค่ายทหารผ่านคอกม้ากองร้อยทหารปืนใหญ่ จนกระทั่งมาถึงหน้าโรงเลี้ยงบริเวณหน้าโรงเลี้ยงเนี่ยก็จะมีต้นสนใหญ่สูงเลี้วอยู่2ต้นทันใดนั่นเองค่ะก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนพองสยองก้าวขึ้นมาอย่างฉับพลันนั่นคือมีเสียงเครื่องบินดังกระหึ่มมาจากบนฟ้ากลุ่มของคุณยายพากันแหงนหน้ามองไปเบื้องบนก็เห็นว่าเครื่องบินเป็นใบพัดเดียว2ที่นั่งของทหารบินลงมาจากเมฆนะคะพุ่งตรงมาที่ต้นสนใหญ่2ต้น คืนนั้นเป็นคืนเดือนไหงก็เลยมองเห็นเครื่องบินได้ชัดเจนทันใดนั้นค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่องบินพุ่งเข้าชนยอดต้นสนเสียงดังสนัน่นเกิดระเบิดมีไฟลุกท่วมแล้วก็เครื่องบินเนี่ยพังยับเยินร่วงลงมาสู่พื้นดินทหารนักบินสองคนกระเด็นลงมาด้วยกลุ่มของคุณยายพากันหมอบฟุบลงกับพื้นดินด้วยความตกใจค่ะ และที่น่าแปลกก็คือความสว่างสวัยของแสงจันทร์พลันกลับกลายเป็นความมืดมิดไปทั่วอนาบริเวณในขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมองเครื่องบินกำลังลุกไหม้สายลมอันเย็นเยือกได้ผ่านมาวูบหนึ่งทำให้เกิดอาการขนลุกเกรียวไปพร้อมๆกันยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีเสียงนักบินร้องห่วยหวนดังมาได้ยินกันทั่วบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย คุณยายละ อ, อตั้งสติได้ก่อนเพื่อนค่ะก็คิดว่าภาพที่เห็นเนี่ยคงเป็นภาพหลอนอันเนื่องจากผีหลอกก็เลยรีบบอกกล่าวไปว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อเธออธิษฐานบอกไปเช่นนั้นความมืดที่ครอบคลุมอยู่ก็พลันสว่างสวยัยภาพเครื่องบินที่ลุกไหม้ก็หายวับไปทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็เลยเป็นที่แน่ชัดค่ะคุณผู้ฟังว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพหลอนที่พูดผีวิญ ญ, ญาณบรดาลขึ้น วันรุ่งขึ้นคุณยายของเด็กหญิงละอก็ได้รีบทําบุญอุทิศกุศลไปให้ทหารนักบินที่มาปรากฏกายให้เห็นและเมื่อสอบถามคนที่อยู่มาก่อนก็ทราบเรื่องนะคะว่าในสมัยสงครามอินโดจีนทหารนักบินสองคนนำเครื่องบินร่อนลงสนามสงสัยนะคะว่าคันบังคับจะเสียเครื่องบินก็ได้พุ่งเข้าชนยอดต้นสนระเบิดเป็นไฟนักบินทั้งสองคนเนี่ยตายคาที่ มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะของคนที่เคยพบเห็นพูดผีวิญญาณมาค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณปี2522ผู้ที่พบเห็นผีหรือว่าวิญญาณในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่านางสวงค่ะซึ่งนางสวงผู้นี้เนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สํานักวิปัสนาจังหวัดพิษณุโลกค่ะก่อนที่จะเข้าพรรษาประมาณ3เดือนนางสวงเองก็มีธุระนะคะต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ คืนที่จะเดินทางนางสวงออกจากสํานักปฏิบัติธรรมนะคะประมาณตีสามมาที่สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อรอรถไฟไปเชียงใหม่เวลานั้นประมาณตีสี่นางสวงเองก็รอรถไฟที่ม้าหินอ่อนนะคะริมทางรถไฟห่างจากตัวสถานีไปเล็กน้อยตรงที่นั่งอยู่นั้นเป็นทางลาดลงไปสู่ถนนทันใดก็มีเงา ด, ำดำําๆรูปร่างลักษณะเป็นคนนะคะค่อยๆโผล่ทะลุขึ้นมาจากพื้นดินค่ะ เงาดำประหลาดนั้นนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายหรือว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนางสวงเป็นคนไม่กลัวผีนะคะมีจิตใจมั่นคงหนักแน่นเพราะว่าผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วก็เลยนั่งดูเงาดำที่เดินไปที่ถนนที่ทอดยาวไปที่ด้านหน้าสถานีรถไฟด้วยความสงบนะคะเงาร่างนั้นก็เดินไปบนถนนได้ไม่กี่ก้าวก็กลายเป็นสุนัขวิ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างถนนนางสวงก็เลยเชื่อนะคะว่า เป็นผีค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรจึงมาปรากฏร่างให้เห็นเมื่อรถไฟมาแล้วนะคะนางส่วนก็เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่มาทําธุระที่เชียงใหม่ได้3วันจึงเดินทางกลับบ้านที่สมุทรปราการจนกระทั่งใกล้เข้าพรรษาก็ได้เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งเพื่อเข้าไปปฏิบัติธรรมที่สํานักวิปัสนาเมื่อถึงสํานักวิปัสนาแล้วนางส่วนก็ครุ่นคิดถึงเรื่องผีที่มาปรากฏให้เห็น ด้วยความสงสัยว่าเขามาแสดงร่างทำไมดังนั้นคืนหนึง่งนางสวงเองก็เลยย้อนกลับไปที่สถานีรถไฟซึ่งเป็นเวลาดึกพอสมควรนะคะไปถึงแล้วค่ะก็เดินไปที่นั่งที่เดิมแล้วก็พูดขึ้นนะคะบอกว่าที่แกมาปรากฏกายให้เห็นแกมีความประสงค์อะไรฉันจะได้ทาบุญอยู่ที่สวนกุศลไปให้ถูกทันทีที่นางสวงพูดจบนะคะ ก็ปรากฏนะคะว่ามีก้อนกลมๆสีดำเคลื่อนไหวได้ตรงรางรถไฟก้อนกลมนั้นกลิ้งเข้ามาที่นางสวงที่นั่งอยู่แล้วก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นจากนั้นก้อนกลมๆ ก, ก, ก้อนนี้ก็ได้กลายเป็นคนนะคะพอมองออกว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ20ปีไม่ใส่เสื้อตัดผมสั้นเกลียนแต่ว่ามองดูหน้าไม่ชัดเจนนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครเงาร่างนั้นลอยผ่านหน้านางสงไปแล้วก็หายวับไปตรงพุ่มไม้ข้างทางรถไฟค่ะ นางสวงเองก็ได้ไปกราบเรียนถามท่านพระครูประกาศสมาธิคุณนะคะว่าผีที่นางเห็นนั้นเป็นใครท่านก็เลยบอกกับนางสวงนะคะว่าเป็นญาติของนางสวงที่มาแสดงร่างให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญเพราะว่าเขาเองก็ต้องการที่จะไปผุดไปเกิดนางสวงก็เลยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้และก็เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อีกนะคะจากนั้นนางก็ไม่ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้อีกเลยค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพระเจอผีนะคะหากมีโฆษณาปรากฏขึ้นก็อย่าลืมดูโฆษณาจนจบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเป็นค่าใช้ใจ่ายในการค้นหาข้อมูลมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ